ไ่แล้เลยจะรู้ความรักแม่แรกเจอต่างคนไม่รู้ใจแต่ปักใจเพียงครั้งเดียวเม็ใใจชู่วกันยามที่เราทั้งสองได้ผ่านทอลับร่องราวอดีตที่ราวรานเธอคือความรักแท้ที่ฉันหา จะให้รู้พบกันยัยต้องกีดกันเราให้ไกลกีดกันด้วยแผ่นฟ้าแม่ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาสุงฉันหลับตาฉันไม่ว่นไหวกีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม สุดท้ายนิยายรักมักให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับกลับมาเพื่อพบเจอบอกรักเจอครั้นแต่ความจริงของฉันรักเราคงเป็นไปได้ กันโดยท่านฟ้าในไกล้ฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาสุงฉันหลับตาฉันในวันไหวกีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมหายแพ้ใช่ไหม รอแต่กี่กันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม